ที่มีทั้งวิตกและวิจาร์โวทานเป็นปัจจัยแก่มรรคที่มีทั้งวิตกและวิจาร์มรรคที่มีทั้งวิตกและวิจาร์เป็นปัจจัยแก่ผลที่มีทั้งวิตกและวิจารผลที่มีทั้งวิตกและวิจาร์เป็นปัจจัยแก่ผลที่มีทั้งวิตกและวิจารอนุโลมเป็นปัจจัยแก่พระสมาบัติที่มีทั้งวิตกและวิจารโดยอนันตระปัจจัยสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจาร เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์โดยอนันตระปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่มีทั้งวิตกและวิจารณซึ่งเกิดสนก่อนเป็นปัจจัยแก่วิตกซึ่งเกิดหลังๆโดยอนันตระปัจจัยจุติจิตที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์เป็นปัจจัยแก่อุปาติจิตที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณขันธ์ที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์เป็นปัจจัยแก่วุานะที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณและวิตก บริกรรมฌานที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารเป็นปัจจัยแก่ฌานที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารโพตระผูเป็นปัจจัยแก่มรรคที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารโวทานเป็นปัจจัยแก่มรรคที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารอนุโลมเป็นปัจจัยแก่พระสมาบัติที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารและวิตกโดยอนันตรปัจจัยสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจาร เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่มี ท, ทั้งวิตกและวิจารณโดยอนันตระปัจจัยได้แก่จุติจิตที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์เป็นปัจจัยแก่อุปาติจิตที่ไม่มีทั้งวิตกวิจารณ์และวิจารณ์โดยอนันตระปัจจัยอาวชนะจิตเป็นปัจจัยแก่วิญญาณหโดยอนันตระปัจจัยขันธ์ที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์เป็นปัจจัยแก่วุฒานะที่ไม่มีทั้งวิตกวิจารณ์และวิจารณ์ บริกรรมทุติยฌานเป็นปัจจัยแก่วิจารในทุติยฌานโดยอนันตระปัจจัยบริกรรมตติยฌานบริกรรมเจตุทะฌานบริกรรมอาการสานานจายตนะบริกรรมวิญญาณาญจายตนะบริกรรมอากินจัญญายตนะบริกรรมเนวสัญญานาสัญญายตนะบริกรรมที่ประจักขุบริกรรมที่ประสงคธาตุบริกรรมอิทธิวิทยานบริกรรมเจโตปริยญาณ บริกรรมปุเพนิวาสานุสติยานบริกรรมยถากรมูปะขยานบริกรรมอนาคตังฉยานโคตรภูเป็นปัจจัยแก่มรรคที่ไม่มีทั้งวิตกวิจารณ์และวิจารณ์โวทานเป็นปัจจัยแก่มรรคที่ไม่มีทั้งวิตกวิจารณและวิจารณ์อนุลมเป็นปัจจัยแก่พระสมาบัติที่ไม่มีทั้งวิตกวิจารณ์และวิจารณโดยอนันตระปัจจัยสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารและที่ไม่มีทั้งวิตกวิจารโดยอนันตระปัจจัยได้แก่จุติจิตที่มีทั้งวิตกและวิจารเป็นปัจจัยแก่อุปฏิจิตที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารและวิจารโดยอนันตระปัจจัยขันธ์ที่มีทั้งวิตกและวิจารเป็นปัจจัยแก่วุานะที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารและวิจารโดยอนันตระปัจจัย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 สภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีทั้งวิตกวิจารณ์และที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์โดยนันทระปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่มีทั้งวิตกและวิจารณซึ่งเกิดฝังกรเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ซึ่งเกิดหลังหลังและวิตกโดยนันทระปัจจัยอนุโลมเป็นปัจจัยแก่โคตรภูและวิตกอนุโลมเป็นปัจจัยแก่โวทานและวิตก โตรภูเป็นปัจจัยแก่มรรคที่มีทั้งวิตกวิจารณ์และวิตกโวทานเป็นปัจจัยแก่มรรคที่มีทั้งวิตกวิจารณและวิตกมรรคที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์เป็นปัจจัยแก่ผลที่มีทั้งวิตกวิจารณและวิตกผลที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์เป็นปัจจัยแก่ผลที่มีทั้งวิตกวิจารณ์และวิตกอนุโลมเป็นปัจจัยแก่พระสมมาบัติที่มีทั้งวิตกวิจารณ์และวิตกโดยนันทระปัจจัยแปสิ สภาวะธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารโดยอนันตระปัจจัยได้แก่วิตกที่เกิดก่อนก่อนเป็นปัจจัยแก่วิตกซึ่งเกิดหลังหลังโดยอนันตรปัจจัยขันธ์ที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์ซึ่งเกิดก่อนๆเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์ซึ่งเกิดหลังหลังโดยอนันตระปัจจัยมรรคที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์ เป็นป <emás>. ัจ <le> จ <altung> ัยแก่ผลที่ไ <le> ม่มีวิตกมีเพียงวิจารณผลที่ไม well ่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์เป็นปัจจัยแก่ผลที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์โดยอนันตระปัจจัยสภาวะธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์โดยอนันตรปัจจัยได้แก่วิตกที่เกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ซึ่งเกิดหลังโดยอนันตระปัจจัย จุติจิตที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารเป็นปัจจัยแก่อุปติจิตที่มีทั้งวิตกและวิจารโดยอนันตราปัจจัยผวังขจิตที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารเป็นปัจจัยแก่อาวชณะจิตโดยอนันตราปัจจัยขันธ์ที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารเป็นปัจจัยแก่วุานะที่มีทั้งวิตกและวิจารโดยอนันตราปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจาร เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์โดยอนันตระปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์ซึ่งเกิดก่อนๆเป็นปัจจัยแก่วิจารณ์ซึ่งเกิดหลังๆโดยอนันตระปัจจัยจุติจิตที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์และวิตกเป็นปัจจัยแก่อุปติจิตท allora ี่ไม่มีทั้งวิตกวิจารณ์และวิจารณโดยอนันตระปัจจัยขันธ์ที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณและวิตก เป็นปัจจัยแก่วุฒานะที่ไม่มีทั้งวิตกวิจารณและวิจารณ์โดยอนันตราปัจจัยสภาวะธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่ไม่มีว <c oughs> ิตกมีเพียงวิจารณ์และที่ไม่มีทั้งวิตกวิจารณ์โดยอนันตราปัจจัยได้แก่ขันที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์ซึ่งเกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณซึ่งเกิดหลังและวิจารณ์โดยอนันตราปัจจัย มัก si ที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์เป็นปัจจัยจแก่ผลที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์และวิจารณผลที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์เป็นปัจจ si ัยแก่ผลที them, ไ่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์และวิจารณ์โดยอนันตระปัจจัยสภาวะธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่มีทั้งวิตกวิจารณ์และที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์โดยอนันตระปัจจัยได้แก่วิตกที่เกิดตอนก่อน เป็นปัจจัยแก่ขันที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ซึ่งเกิดหลังๆและวิตกโดยนันตระปัจจัยจุติจิตที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์เป็นปัจจัยแก่อุปาติจิตที่มีทั้งวิตกวิจารณ์และวิตกโดยนันตระปัจจัยผะวังกจิตที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์เป็นปัจจัยแก่อาวัชนะจิตและวิตกโดยนันตระปัจจัยขันท์ที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์เป็นปัจจัยแก่วุานะที่มีทั้งวิตกวิจารณ์และวิตก โดยนันระปัจจัยแปดสิบเอ็ดสภาวธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารโดยนันระปัจจัยได้แก่วิจารณ์ที่เกิดก่อนก่อนเป็นปัจจัยแก่วิจารณซึ่งเกิดหลังๆโดยนันระปัจจัยขันธ์ที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณซึ่งเกิดก่อนก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารซึ่งเกิดหลังๆโดยนันระปัจจัย มักที่ไม nah, ่มีทั้งว <int> ิตกและวิจารณ์เป็นปัจจัยแก่ผลที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ผลที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์เป็นปัจจัยแก่ผลที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณโดยนันตระปัจจัยเนวะสัญญานาสัญญายตนะของท่านผู้ออกจากนิโรธเป็นปัจจัยแก่พระาสมาบัติที่ไม่มีทั้งวิตกวิจารณ์และวิจารณ์โดยนันตระปัจจัยสภาวะธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์โดยนันทระปัจจัยได้แก่จุติจิ ต, ตที่ไม่มีทั้งวิตกวิจารและวิจารณ์เป็นปัจจัยแก่อุปติจิต cosine, ที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์โดยนันทระปัจจัยผะวังกจิตที่ไม่มีทั้งวิตกวิจารและวิจารณ์เป็นปัจจัยแก่อาวชนะจิตโดยนันทระปัจจัยขันธ์ที่ไม่มีทั้งวิตกวิจารณและวิจารณ์เป็นปัจจัยแก่วุานะ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 โดยนันตระปัจจัยจุต <tr> ิจิตที่ไม่มีทั้งวิตกวิจาร์และวิจาร์เป็นปัจจัยแก่อุปติจิตที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจาร์และวิตกโดยนันตระปัจจัยขันธ์ที่ไม่มีทั้งวิตกวิจารและวิจาร์เป็นปัจจัยแก่วุทธะที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจาร์และวิตกโดยนันระปัจจัยเนวสัญญาณสัญญาญตนะของท่านผู้ออกจากนิโรธเป็นปัจจัยแก่พระสมาบัติ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 ที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารและวิจารโดยนันตระปัจจัยขันธ์ที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจาร์เป็นปัจจัยแก่วุฒานะที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารและวิจาร์โดยนันตระปัจจัยเนวสัญญานาสัญญายตนะของท่านผู้ออกจากนิโรธเป็นปัจจัยแก่พระสมาบัติที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารและวิจารโดยนันตระปัจจัยสภาวะธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจาร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 เป็นปัจจัยแก่วุานะที่มีทั้งวิตกวิจารณ์และวิตกโดยนันตระปัจจัยในวาสัญญาณสัญญายาตนะของท่านผู้ออกจากนิโรธเป็นปัจจัยแก่พระสมาบัติที่มีทั้งวิตกวิจารณ์และวิตกโดยนันตระปัจจัยแปดสิบสองสภาวะธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์และที่ไม่มีทั้งวิตกวิจารเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์โดยนันตระปัจจัยได้แก่ จุติจิตที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณและวิจารณ์เป็นปัจจัยแก่อุปาฏิจิตที่มีทั้งวิตกและวิจารณโดยนันตระปัจจัยผวังรจิตที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์และวิจารณ์เป็นปัจจัยแก่อาวชนะจิตโดยนันตระปัจจัยขันธ์ที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณและวิจารณ์เป็นปัจจัยแก่วุานะที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์โดยนันตระปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์ และที่ไม่มีทั้งวิตกวิจารณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวะธรร tekrar, ทม ท, sprout, ร g, though, ร theory, Chat, รที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณโดยนันตระปัจจัยได้แก่ขันธ euh ์ที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์ซึ่งเกิดก่อนก่อนและวิจารณ์เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณซึ่งเกิดหลังหลังโดยนันตระปัจจัยมักที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณและวิจารณ์เป็นปัจจัยแก่ผลที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์โดยนันทระปัจจัย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 โดยนันตระปัจจัยผวังพระจิตที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารและวิจารเป็นปัจจัยแข่อาวชนะจิตและวิตกโดยนันตระปัจจัยขันธ์ที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารและวิจารเป็นปัจจัยแข่วุฐานะที่มีทั้งวิตกวิจารและวิตกโดยนันทระปัจจัยแปสสสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกวิจารและที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจาร เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารณโดยนันตระปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่มีทั้งวิตกวิจารณ์ซึ่งเกิดก่อนก่อนและวิตกเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ซึ่งเกิดหลังหลังโดยนันตระปัจจัยอนุโลมและวิตกเป็นปัจจัยแก่โคตรภูอนุโลมและวิตกเป็นปัจจัยแก่โวทานโคตรภูและวิตกเป็นปัจจัยแก่มรรคที่มีทั้งวิตกและวิจารณโวทานและวิตก เป็นปัจจัยแก่มรรคที่มีทั้งวิตกและวิจารณมรรคที่มีทั้งวิตกวิจารณและวิตกเป็นปัจจัยแก่ผลที่มีทั้งวิตกและวิจารณผลที่มีทั้งวิตกวิจารณและวิตกเป็นปัจจัยแก่ผลที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์อนุโลมและวิตกเป็นปัจจัยแก่พระสมาบัติที่มีทั้งวิตกและวิจารณโดยอนันตรปัจจัยสภาวะธรรมที่มีทั้งวิตกวิจารณและที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์ เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์โดยอนันตระปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่มีทั้งวิตกวิจารณ์ซึ่งเกิดก่อนๆและวิตกเป็นปัจจัยแก่วิตกซึ่งเกิดหลงังๆโดยอนันตรปัจจัยจุติจิตที่มีทั้งวิตกวิจารณ์และวิตกเป็นปัจจัย แ, er แก่อุปติจิตที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณโดยอนันตระปัจจัยขันธ์ที่มีทั้งวิตกวิจารณ์และวิตก เป็นปัจจัยแก่วุทธะที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์โดยอนันตรปัจจัยบริกรรมฌานที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณและวิตกเป็นปัจจัยแก่ฌานที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณโดยอนันตระปัจจัยโคตรภูและวิตกเป็นปัจจัยแก่มรรคที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารโวทานและวิตกเป็นปัจจัยแก่มรรคที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์อนุโลมและวิตก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 เป็นปัจจัยแก่วิญญาณห้าโดยอนันตระปัจจัยขันธ์ที่มีทั้งวิตกวิจารณ์และวิตกเป็นปัจจัยแก่วุฐานะที่ไม่มีทั้งวิตกวิจารณและวิจารณ์โดยอนันตระปัจจัยบริกรรมทุติยฌานและวิตกเป็นปัจจัยแก่วิจารณในทุติยฌานโดยอนันตรปัจจัยบริกรรมตติยฌานและวิตกบริกรรมเจตุทัชฌานและวิตกบริกรรมอาคาสานัญญาตนะและวิตกบริกรรมวิญญาณัญญาตนะและวิตก บริกรรมอาจีนัญญายตนะและวิตกบริกรรมเนวสัญญานาสัญญายตนะและวิตกบริกรรมที่ประจักผูและวิตกบริกรรมที่ประสงคธาตุและวิตกบริกรรมอิทธิวิทยานและวิตกบริกรรมเจโตปริยญาณและวิตกบริกรรมปุเพนิวาสานุสติญาณและวิตกบริกรรมยถากรรมูปกขยานและวิตกบริกรรมอนาคตังจายานและวิตกโคตรภูและวิตก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 และที่ไม่มีทั้งวิตกวิจารณโดยอนันตระปัจจัยได้แก่จุติจิตที่มีทั้งวิตกวิจารและวิตกเป็นปัจจัยแก่อุปติจิตที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์และวิจารณ์โดยอนันตระปัจจัยขันธ์ที่มีทั้งวิตกวิจารณ์และวิตกเป็นปัจจัยแก่วุทฒานะที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์และวิจารณโดยอนันตระปัจจัยบริกรมฌานที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์และวิตก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 เป็นปัจจัยแก่โวทานและวิตกโคตรภูและวิตกเป็นปัจจัยแก่มรรคที่มีทั้งวิตกวิจารและวิตกโวทานและวิตกเป็นปัจจัยแก่มรรคที่มีทั้งวิตกวิจารและวิตกโดยอนันตระปัจจัยมรรคที่มีทั้งวิตกวิจารและวิตกเป็นปัจจัยแก่ผลที่มีทั้งวิตกวิจารและวิตกผลที่มีทั้งวิตกวิจารและวิตกเป็นปัจจัยแก่ผลที่มีทั้งวิตกวิจารและวิตกอนุโลมและวิตก เป็นปัจจัยแก่พราสมาบัติที่มีทั้งวิตกวิจารและวิตกโดยอนันตรปัจจัยสมณันตระปัจจั ย, สนนจจย84สภาวะธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ โดยสมนันตระปัจจัยอนันตรปัจจัยและสมนันตรปัจจัยเหมือนกันสหาชาตปัจจัย8ปสิบห้าสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์โดยสหาชาตะปัจจัยได้แก่ขันธ์หนึ่งที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์เป็นปัจจัยแก่ขันธ์สามโดยสหาชาติปัจจัย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 เป็นปัจจัยแก่วิตกโดยสหชาตปัจจัยในปฏิสนธิขณะสภาวะธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจาร <quand> เป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจาร <scored> โดยสหชาตปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่มีทั้งวิตกและวิจารเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานรูปโดยสหชาต ica, ปัจจัย <yi> ในปฏิสนธิขณะแ ก, ะกะ่กตาตารูปสภาวะธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจาร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 เป็นปัจจัยแก่ขันสามโดยสหชาตปัจจัยขันสองเป็นปัจจัยแก่ขันสองในปฏิสนธิขณะสภาวะธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารโดยสหชาตปัจจัยได้แก่วิตกเป็นปัจจัยแก่ขันที่มีทั้งวิตกและวิจารโดยสหชาตปัจจัยในปฏิสนธิขณะสภาวะธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจาร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 เป็นปัจจัยแก่ขันสามวิจารณ์และจิตตะสมุทฐานรูปโดยสหชาตปัจจัยขันสองเป็นปัจจัยแก่ขันสองวิจารณ์และจิตตสมุทฐานรูปในปฏิสนธิขณะ87สภาวะธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์โดยสหชาตะปัจจัยได้แก่ขันหนึ่งที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ เป็นปัจจัยแก่ขันสามและจิตตสมุทฐานรูปโดยสหชาตปัจจัยขันสองเป็นปัจจัยแก่ขันสองและจิตตสมุทฐานรูปโดยสหชาติปัจจัยวิจารณ์เป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานรูปในปฏิสนธิขณะขันหนึ่งที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์เป็นปัจจัยแก่ขันสามและกระตาตารูปขันสองเป็นปัจจัยแก่ขันสองและกระตตารูปวิจารณ์เป็นปัจจัยแก่กระตาตารูป ขันเป็นปัจจัยแก่หาทายวัตถุหาทายวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันวิญญาณเป็นปัจจัยแก่หาทัยวัตถุหาทายวตถุเป็นปัจจัยแก่วิญญาณมหาภูตรูปหนึ่งเป็นปัจจัยแก่มหาภูตรูปสามหาภูตรูปเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานรูปและกระตาตารูปที่เป็นอุปาทัยรูปและถึงที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุทฐานที่มีอุตุเป็นสมุทฐาน สำหรับเราอาจารย์ัศตพรมมหาภูตรูปหนึ่งมหาภูตรูปเป็นปัจจัยแก่ขตัตตารูปที่เป็นอุปาทายรูปโดยสหชาตปัจจัยสภาวะธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารโดยสหชาตปัจจัยได้แก่ในปฏิสนธิขณะหาทายวตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่ ม, มีทั้งวิตกและวิจารโดยสหชาตปัจจัย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 โดยสหชาติปัจจัยในปฏิสนธิขณะภาทยวัตุเป็นปัจจัยแก่วิตกโดยสหชา hey. imagine, ตปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารและที่ไม่มีทั้งวิตกวิจารโดยสหชาตปัจจัยได้แก่ว <th> ิจารเป็น <months> ป <these S 3> <Well, S 2> ัจจัยแก่ขันธ์ที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารและจิตตสมุทฐานรูปโดยสหชาตปัจจัยในปฏิสนธิขณะ วิจารเป็นปัจจ <comb ikal Louise> ัยแก่ขันที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารและกระตาตารูปในปฏิสนธิขณะหทายวัตุเป็นปัจจัยแก่ขันที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจาร์และวิจาร์โดยสหชาตปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจาร์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีทั้งวิตกวิจารและที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารโดยสหชาตปัจจัยได้แก่ในปฏิสนธิขณะหาทายวัตุ เป็นปัจเแก่ขันธ์ที่มีทั้งวิตกวิจาร science, และวิตกโดยสหชาตปัจจัยบแสภาวะธรรมที่มีทั้งวิตกวิจารณ์และที่ไม่มีทั้งวิตกวิจารณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่มีทั้งวิตกแล ะ, ะ, จจแะนะ ว, วิจารณ์โดยสหชาตปัจจัยได้แก่ในปฏิสนธิขณะขันธ์หนึ่งที่มีทั้งวิตกวิจารณ์และหาไทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์สาโดยสหชาตปัจจัยขันธ์สองและหาไทยวัตถุ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 เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์โดยสหชาตปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่มีทั้งวิตกวิจารณและมหาภูตรูปเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุโฐานรูปโดยสหชาติปัจจัยในปฏิสนธิขณะขันธ์ที่มีทั้งวิตกวิจารณและมหาภูตรูปเป็นปัจจัยแก่กตาตารูปโดยสหชาตปัจจัยสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกวิจารณ์และที่ม่มีทั้งวิตกวิจารณ์ เป็ น, นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ม right ีทั้งวิตกวิจารณ์และที่ไม่มีว yes. ิตกมีเพียงวิจารณ์โดยสหชาตปัจจัยได้แก่ในปฏิสนธิขณะขันหนึ่งที่มีทั้งวิตกวิจารณ์และหาทายวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันสามและวิตกขันสองและหาทายวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันสองและวิตกโดยสหชาตปัจจัย89สภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์และที่ไม่มีทั้งวิตกวิจารณ์ เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารโดยสหชาตปัจจัยได้แก่ในปฏิสนธิขณะวิตกและหาทายวัตุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่มีทั้งวิตกและวิจารโดยสหชาติปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารและที่ไม่มีทั้งวิตกวิจารเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารโดยสหชาตปัจจัยได้แก่ขันธ์หนึ่งที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจาร และวิจารณ์เป็นปัจจัยแก่ 3. ขันสามขันสองและวิจารณ์เป็นปัจจัยแก่ขันสองโดยชหชาติปัจจัยในปฏิสนธิขณะขันหนึ่งที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์และวิจารณ์เป็นปัจจัยแก่ขันสามขันสองและวิจารณ์เป็นปัจจัยแก่ขันสองในปฏิสนธิขณะขันหนึ่งที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณและหาไทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันสามโดยสหชาติปัจจัย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 เป็นปัจจัยแก่จิตตาสมุทฐานรูป children children. ในปฏิสนธิขณะขันธ์ที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณและวิจารณ์เป็นปัจจัยแก่กตาตารูปในปฏิสนธิขณะขันธ์ที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์และมหาภูตรูปเป็นปัจจัยแก่กตาตารูปในปฏิสนธิขณะวิตกและมหาภูตรูปเป็นปัจจัยแก่กตาตารูปในปฏิสนธิขณะขันธ์ที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณและหทไทยวัตถุ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 เป็นปัจจัยแก่ขันหนึ่งและจิตตสมุทฐานรูปโดยชาชาตปัจจัยขันสองและวิจารเป็นปัจจัยแก่ขันสองและจิตตสมุทฐานรูปโดยชาชาตปัจจัยในปฏิสนธิขณะขันหนึ่งที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารและวิจารเป็นปัจจัยแก่ขันสามและกระตาตารูปโดยชาชาตะปัจจัยขันสองในปฏิสนธิขณะขันหนึ่งที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารและหาไทยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่ขันสามและวิจารณ์โดยชหชาตปัจจัยขันสองและหาทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันสองและวิจารณ์โดยสหชาตปัจจัย90สภาวะธรรมที่มีทั้งวิตกวิจารณ์และที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์โดยสหชาตปัจจัยได้แก่ขันหนึ <wel comes anyone loves> <princi iner> <job> ่งที่มีทั้งวิตกวิจารณ์และวิตก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 9. กสภาวะธรรมที่มีทั้งวิตกวิจารที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารและที่ไม <en> ja e. <ills> ่มีทั้งวิตกวิจารเป็นป right ัจจัยแก่สภาวะธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารโดยสหชาตปัจจัยได้แก่ในปฏิสนที่ขณะขันหนึ่งที่มีทั้งวิตกวิจารวิตกและหาไทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันสโดยสหชาตปัจจัยขันสองวิตกและหาทยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่ขันสองโดยสหชาตปัจจัยสภาวะธรรมที่มีทั้งวิตกวิจารที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารและที่ไม่มีทั้งวิตกวิจารเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารโดยสหชาตปัจจัยได้แก่ขันที่มีทั้งวิตกวิจารวิตกและมหาภูตรูปเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฐานรูปโดยสหชาตปัจัยในปฏิสนธิขณะ ันที่มีทั้งวิตกวิจารวิตกและมหาภูตรูปเป็นปัจจัยแก่กระตะตารูปโดยสหาชาตปัจจัย